นะว่าเป็นโอกาสดีที่ผมจะได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญมาในฐานะของอุปกรณ์ของพระธรรมแบ่งปันให้แง่คิดให้กำลังใจเกี่ยวกับเรื่องการทำงานให้มีความสุขในหัวข้อได้งานได้บุญทุกครั้งที่ผมได้มีโอกาสไปที่โรงพยาบาล ไม่ว่าที่ไหนก็ตามผมว่าจะมีความคิดอยู่อย่างหนึ่งก็ว่าเรื่องของความหมายของโรงพยาบาลเนี่ยว่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นที่รวมหลายๆอย่างมักจยาให้ความหมายของโรงพยาบาลอีกความหมายว่าโรงพยาบาลก็คือโรงพยายามโรงพยาบาลคือโรงพยายามพยายามก็เป็นอย่างั้นจริงนะพอสังเกตดูเวลา เข้าไปใช้บริการก็ตามหรือไปเห็นผู้ที่เข้ามาใช้บริการคุณหมอก็ดีคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายพยายามกันเหลือทนพยายามกันสุดฤทธิ์ที่จะช่วยเหลือคนที่มาใช้บริการอาจจะเป็นคนไข้หรือผู้ที่เป็นญาติคนไข้หรือผู้ที่มาติดต่องานต่างๆให้เขาหมดทุกข์กลับไปคนป่วยไข้ ลอยหายป่วยหายไขย้กลับบ้านไปด้วยใจเป็นปกติยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขคนที่มาติดต่อเรื่องราวต่างๆก็กลับไปด้วยจิตใจที่มีความสุขหมดปัญหาเป้าหมายของบุคลากรที่นี่ก็เช่นเดียวกันคืออยากให้ทุกอย่างเนี่ยมันจบลงด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มีความสุขจึงต้องพยายามกันสุดฤทธ ส่วนผลจะเป็นยังไงนั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุเหตุปัจจัยจึงตั้งชื่อว่าโรงพยาบาลคือโรงพยายามก็เป็นงานจริงเพราะว่าผู้ที่เข้ามาใช้ในบริการในโรงพยาบาลแต่ละท่านเนี่ยดูแล้วใบหน้าไม่ค่อยผ่องใสไม่มีความแจ่มชื่นไม่น่าลืล่นหลงโรงพยาบาลเนี่ยไม่น่าลื่นหลมไม่ค่อยมีขยะเข้าไปแม้กระทั่งบุคลากรภายในโรงพยาบาลก็ตาม ไม่ก่อยเจอคนที่ยิย้มแจ่มใสไม้น่าเคร่งเครียดเอาจริงก็จังมันเป็นง่ายจริงนะตั้งแต่เริ่มก้าวย่างประตูเข้ามาเนี่ยโอ้ดูแล้วไม่ค่อยมีความสุขนอกจากจะพยายามช่วยคนอื่นแล้วเนี่ยบงทีก็พยายามช่วยตัวเองเหมือนกันนะแต่ยังช่วยไม่ถูกที่ดูแล้วไม่น่ารื่นรมพวกเองก็เคยไปรับบริการที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ไปอยู่นานเหมือนกันนะไปอยู่เกิดความผูกพันระหว่งางเจ้าหน้าที่เวลาจะกลับเขาก็บอกว่าว่างๆก็มาเยี่ยมใหม่นะผมคิดในใจว่าอยาได้เจอได้เจอคนที่ช่วยเหลือเราได้ดีแต่ว่าสถานทนี่มันไม่เหมาะไม่น่าลื่นลมเลยแล้วยิ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนด้วยแล้วมันละดูไม่ค่อยสดชื่นดูแล้วไม่น่าชื่นใจไม่น่าลื่นลม แต่มีสิ่งสิ่หนึ่งที่แง่คิดที่ว่าของที่มีคุณค่าเนี่ยมักจะซ่อนเล่นอยู่ในของที่ไร้ค่าถ้าก็ดโดยดีสิ่งที่มีคุณค่าเนี่ยมักอยู่ในสิ่งที่ไร้ค่าถ้าเรารูกจักมองอย่างคนที่เข้ามาใช้บริการที่เนี่แต่ละคนเนี่ยมีทุกประเภททุกวัยคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายมีน้าตา ร้องไห้เพราะเกิดจากความพลาดลาจากกันและมีทั้งคนพิการพิกษุสองนักบวชเข้ามาใช้บริการกันมากมายสิ่งหนเหล่านี้ถ้าเรารู้จักมองนะจะเห็นว่านั่นลหละคือเทวทูตเทวทูตเนี่ยทำหน้าที่เป็นสัญญาณเตือนเราให้เราระลึกถึงว่าคติธรรมดาของชีวิตคนเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้เข้ามาแจ้งข่าวเราเราเอง อาจจะเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่แล้วก็ต้องเจอความแก่สักวันหนึ่งเราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราก็ต้องตายแล้วกเกิดความพัดพลากจากกั น, น, ว, ง ว, นวงเวียนอยู่นี่แหละเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้อันนี้คือเทวทูตที่มาแจ้งข่าวเราไม่เราประมาทไม่ให้เราประมาท เ, เมื่อเราไม่ประมาทจะทำอย่างไรเราก็ต้องหาทางออกจากวงเวียนแห่งความเกิดแก่เจ็บตายด้วยการปฏิบัติธรรม หาทางพ้นทุกข์ว่างั้นเมื่อเราปฏิบัติถึงที่สุดแล้วเนี่ยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาจะเข้าใจคติธรรมดาของชีวิตทุกชีวิตเทวทูตเหล่านี้เป็นเหตุบอกให้เจ้าชายสิทัตถะต้องออกบวชเพราะว่ามีเทวทูตคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะมาแจ้งข่าวมาสื่อข่าวท่านจึงออกบวชตัวทั้ง บรรลุธรรมเป็นองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ถ้ารู้จักมองจะได้ประโยชน์มากถ้าเรามองว่าโรงพยาบาลเนี่ยคือโรงทำบุญโรงพยาบาลคือโรงทำบุญนะอาชีพหรือหน้าที่ที่ช่วยลดความทุกข์ลดปัญหาให้กับผู้อื่นเนี่ยเป็นอาชีพบุญเป็นบุญสำหรับผู้ที่ทำงานในอาชีพนี้จึงบอกว่า บุคลากรไม่ว่าใครก็ตามที่ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นผู้ที่โชคดีทํางานไปได้ทั้งบุญได้ทั้งงานเลยถ้าตั้งใจทํางานด้วยจิตใจที่ จ, จดจ่อต่ำงานเนี่ยมันจะมีมีบุญอยู่ในจิตใจเนี่ยเป็นการปฏิบัติทําอยู่ในตัวใช่ไหมถ้าเรารู้จักมองสิ่งที่ไร้ค่ามีคุณค่าเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นไม่เหมือนกับหมอยาเนี่ย มักจะมองต้นไม้ทุกต้นคือยาทั้งหมดเลยอาจจะเป็นยาที่ทานได้หรือบางอย่างทานไม่ได้ใช้ทาใช้พอกก็ได้มองต้นไม้ทุกต้นเป็นยานั่นคือหมอยานักธรรมะผู้ที่มีธรรมะอยู่ในจิตใจเนี่ยมักจะมองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ว่าสิ่งนั้นจะไม้เราชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ตาม ล้วนต่างก็เป็นธรรมะทั้งหมดธรรมะคือความเป็นธรรมดาชอบใจมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ชอบใจกับเรื่องธรรมดามีแต่ความเปลี่ยนแปลงทนั้นถ้ามองนอย่างนี้แล้วเราจะได้ปัญญามองแล้วได้ปัญญาวันนี้การทำงานในโรงพยาบาลแห่งเนี้ยหรือจะที่ไหนก็ตามถ้าเราอยากทำงานอย่างมีความสุขสนุกกับการทำงานเราต้องรู้จักวางใจ วางจิตวางใจให้ถูกต้องกับการทำงานวางใจอย่างไรที่จะทํางานให้มีความสุขถ้าวางถูกต้องเนี่ยมันมีกาลังใจนะมีความกระตือรือร้นที่จะทำงานอย่าง น, น้อยเราต้องเป็นคนที่รู้จักพอใจในงานที่เราทำรักงานที่เราทำอะไรก็ตามถ้าเราไม่พอใจเราไม่รักเนี่ยเลยทํทำงานสิ่งนั้นด้วยไม่มีชีวิตชีวา ถ้าเราลักแล้วก็พอใจเนี่ยมันจะกระตือรือร้นมีชีวิตทีวาที่จะทำงานมองเห็นประโยชน์และคุณค่าของงานที่เราทำเนี่ยมองให้เห็นประโยชน์เมื่อไหร่แล้วก็เราจะเกิดการรักงานเรารักใครสักคนหนึ่งถ้าเรามองไม่เห็นคุณค่าของเขาเนี่ยเราก็จะไม่รักเขาเลยมองหเห็นคุณค่าขเขาเราจะรักเขามากยิ่งขึ้นแม้เขาอาจจะไม่หลอ่ออาจจะไม่สวยก็ได้มองเห็นคุณค่า อย่างน้อยงานที่เราทำเนี่ยมันก็เป็นงานส่วนรวมงานช่วยเหลือส่วนรวมไม่ใช่งานส่วนตัวแต่ผลคลอยได้เนี่ยได้ทั้งส่วนรวมและก็ส่วนตัวด้วยเรามองในแง่นี้เนี่ยเราจะเกิดกําลังใจมีความกระตือรือร้นที่จะทํางานทํางานแบบไม่เบื่อไม่เต็งต้องรู้จักมองนิดเดียวเราพิจิตติดเดียวนั่กก น, เ, นเองอ่ะจะได้ไประโยชน์จากการทํางานแต่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อย่างหนึ่งว่า แม้ว่าสิ่งนั้นเรารักเราชอบสักวันหนึ่งมันก็ต้องเบื่อถ้าเป็นงานที่ซ้ําๆสักๆดู ก, ก, กไหมอะไรก็ตามที่มันซ้ําจะเกิดความเบื่อจินมันต้องเบื่ออันนี้เป็นธรรมดานะคนที่เรารักจเจอกันบ่อยๆเห็นกันบ่อยๆใหม่ๆก็ชื่นชมนั่นแหก็ก็จะเบื่อหน้าเห็นกันทั้งวันมันก็เบื่อใช่เพลงที่เราชอบฟังคําพูดไพเราะสนุ๊ก ถ้าได้ยินซ้ำๆกับทุกวันเนี่ยเราก็ไม่อยากฟังเราเพลงไอ้กับพูดแบบนี้เราก็เบื่อแม้แต่อาหารลองดูเถอะใครชอบอาหารแบบไหนที่สุดถ้าเราทานทุกวันทุกวันนะเราก็ไม่เอาแล้วมันก็เบื่อละมันเป็นเรื่องธรรมดานะมันรักแต่มันก็เบื่อง่ายมันเลยเรียกไม่ได้ แต่เมื่อเราเบื่อเราจะทำอย่างไรเราเบื่อแต่เราก็ต้องทำงานเราต้องรู้จักแบ่งระหว่างความเบื่อของจิตใจกับการทำงานทางด้านร่างกายเนี่ยอันไหนมันมาก่อนกาอันไหนมันมาทีหลังไอ้ที่มาก่อนนะของจริงไอ้ที่มาทีหลังเนี่ยมันจริงแบบไม่จริงมันเป็สิ่งที่จอมาชั่วคราวใต้อรู้จักแบ่งมันเบื่อ แล้วก็ทำของเราไปนะคือหน้าที่จะต้องทําแต่เรื่องของจิตนี่มันจะเบื่อแต่มันไม่นานหรอกไอ้ความเบื่อมันเกิดไม่นานแลอวเนียอย่าเพิ่งลาออกซะ ก, ก่อนนะ <c oughs> บอเบื่อแล้วลาออกแล้วเปลี่ยนงานทำไมถ้าเบื่อตรงนี้เปลี่ยนไปทํางานใหม่เพต้องเบื่องานใหม่ก็แล้วจะเปลี่ยนไปทํางานที่เราชอบก็ตามนั่งเฉยเฉยมีคนเอาเงินเดือนมาให้เชื่อเถอะไม่ช้าก็ต้องเบื่อ เพราะว่าความเบื่ออยู่ในจิตใจใช่ไหมเราไปไหนแล้วก็พกพามันไปด้วยพร้อมที่จะใช้งานได้ทันทีรวมทั้งความขี้เกียจ ด, ด้วยจะรว่มันเป็นเพื่อสวิตสำหรับเราก็ได้มันสามารถที่จะเกิดขึ้นมาหาเราได้ทุกเมื่อก็ต้องรู้จักเท่าทันจิตใจเราอ๋อมันธรรมดาเนาะชีวิตเนี่ยไม่มีอะไรเทิ้งแท้แน่นอนเดี๋ยวมันลักนมันก็เบื่อแล้วก็สามารถปล่อยวางแล้วก็ทําหน้าที่ของเราไปโดยที่ไม่ต้องใส่ใจกับอารมณ์นั้น ถ้าคนรู้จักวางใจนะก็ต้องวางใจไปว่าเราเบื่องานก็ยังดีนะดีเบื่อเพราะไม่มีงานคิดดูดีนะเบื่องานยังดีกว่าเบื่อเพราะไม่มีงานเนี่ยโอ้เบื่อเพราะไม่มีงานเนี่ยมันดับเบิลเบื่อมันซ้อนอีกทีมันทุกข์มากเลยเบื่อเพราะไม่มีงานเนี่ยเพราะเราต้องวิ่งหางานนะต้องวิ่งหางานให้ได้งานที่เราชอบใจด้วยมันเหนื่อยมันทุกข์มากเลย ในสมัยเนี้ขณะคนพยันทางานนะก็ยังทํางานจนบรรลุผลสาเร็จตกงานเขามีพยันทํางานก็ตกงานเชื่อไหมเพราะว่างานบางแห่งเนี่ยเขาต้องลดการผลิตลดจํานวนของบุคลากรซึ่งเขาก็ไม่อยากทําอย่างนั้นแต่มันก็ช่วยไม่ได้ถ้าไม่ทําอย่างนั้นแล้วบริษัทก็อยู่ไม่ได้จึงต้องลดการทํางาน อย่างบริษัทมินิแบร์เนี่ยไปพูดเมื่ อ, เ, อเดือนที่แล้วเนี่ยบริษัทมินิแบร์นะผลิตลูกปืนแบริง่งส่งออกนอกโดยเฉพาะเลยของบริษัทของญี่ปุ่นต้องลดการผลิตเจ็ดสิบเปอร์เซนแล้วคนงานสามหมื่นคนเนี่ยโอ้ฝันกำลังใจของคนงานเนี่ยท้อแท้มากเจ้าของบริษัทให้พนักงานลาออกให้ลาออก ผมเข้าไปพูดเนี่ยคนงานเนี่ยว่างานเยอะเลยไม่ได้ทําอะไรจับกลุ่มคุญย์บริษัทต้องการให้คนงานลาออกเพื่อลดจํานวนบุคลากรไอ้ผมก็ไม่เข้าใจนะไปถึงก็พวกเราใจง เ, งเย็นเงินเดือนน้อยไม่เป็นไรนะอย่าเพิ่งลาออกผมมันทวนกระแสกับเจ้าของผมไม่ได้สังเกตทอ น, นี้ผมเห็นใจบุคลากรมากกว่าเพราะคนจํานวนมากแล้วเดี๋ยวนี้ เมืองไทยเรามีปัญหาเรื่องตกงานเยอะมากเลยตกงานเยอะมากถึงแม้เราออกก็ต้องถูกให้ออกเนี่ยเป็นทุกข์มากบางคนเกิดความซึมเศร้าวิตกกังวลนอนไม่หลับเพราะไม่มีงานทำเนีบางประเทศเนี่ฆ่าตัวตายเลยอย่างคนญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีเพื่อนชาวญี่ปุ่นมาเยี่ยมที่ชมรมมาคุยก็ถามว่า คนญี่ปุ่นเนี่ยมีปัญหาเรื่องตกงานแล้วก็ฆ่าตัวตายประเทศที่เป็นมหาเศรษฐกิจสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ว่าชาวญี่นฆ่าตัวตายเพราะไม่มีงานทําก็น่าเห็นใจนะเพราะฉะนั้นเบื่องานนะยังดีกว่าเบื่อเพราะไม่มีงานมันทําให้เราเครียดมากเ่ยอย่างน้อยทุกวันนี้ที่เราได้มีเงินทองจับจ่ายใช้สอยก็เพราะว่า เรามีงานทำมองในแง่นี้บั่งได้งานมันก็ได้เงินนะถ้าไม่มีงานมันก็ไม่มีเงินนะแต่ว่างานคืนเงินก็ได้แม้ว่าค่าตอบแทนจะต่ำหรือตำแหน่งจะน้อยก็ไม่เป็นปัญหาหรอกอย่างน้อยงานที่เราทำเนี่ยมันก็เป็นงานที่สุดจลิตเนี่ยอย่างงานที่โรงพยาบาลศีริล่าเนี่ยเป็นงานสุดจลิตภูมิใจในส่วนนี้แล้วก็ คุณค่าของงานนั้นไม่ใช่อยู่ที่ตำแหน่งหรือค่าตอบแทนค่าของงานมันอยู่ที่งานนั้นสุดาดิตหรือไม่และเป็นงานที่ทาประโยชน์กับส่วนรวมมากน้อยแค่ไหนแล้วงานนั้นสามารถพัฒนาจิตเราเนี่ยให้เจริญได้ก็ถือว่าควรจะภูมิใจในการทำงานในครั้งนี้พอได้งานแล้วมันก็ได้เงินแล้วมันจะได้เพื่อนด้วยนะ เพราะอย่างน้อยเราจะมีเพื่อนร่วมงานอย่างงานคลังเนี่ยเราต้องติดต่อใช่ไะติดต่อกับบุคคลภายนอกติดต่อกับเพื่อนร่วมงานด้วยกันเนี่ยมีเพื่อนเยอะเลยไม่เหงางานที่มีเพื่อนมากนี่ไม่เหงานะไอ้ส่วนลำคานนั่นก็ยังวางใจไม่ถูกลำการวางใจไม่ถูกนะทนที่เราจะมีเพื่อนมากเนี่ยโอ้เรามีความสดชื่นมีความสุขมากผมเคยไปสังเกตดูบริษัทห้างร้านบางแห่งเนี่ย ก็เจ้าที่พนัก ง, งานเนี่ยนั่งน้อยกอตกฟุบ ก, กับโต๊ะไม่มีลูกค้าลูกค้าไม่ก่้ายมานงเงาเซง็งพอพวกเราเข้าไปซื้อของเนี่ยโอ้ดีใจมาแล้วเรายินดีต้อนรับโอ้เอออกเอาใจมากเลยนะเขากระหายกระหายเพื่อนกระหายลูกค้าแต่งานคลังนี่ไม่ต้องกระหายไม่ต้องไปหาเขาเขาก็มาหะเองได้เพื่อน ได้เพื่อนมากมายแล้วมีความสุขารู้จับมองออได้เพื่อนได้จิตได้ใจเราทำงานแล้วมันได้ใจได้พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นเป็นคนที่มีคุณธรรมได้ถ้าทำด้วยความเมตตามีน้ำใจสามคัคคีหรือไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยมันมีคุณธรรมประจำตัวเรานี่เป็นการปฏิบัติทำไปในตัวเลย การทำงานไม่ว no ่าที่ไหนก็ตามตำแหน่งใดก็ตามว่าที่จริงแล้วคือการปฏิบัติธรรมนั่นเองการทำงานคือการปฏิบัติธรรมมีความหมายของธรรมะอยู่ข้อหนึ่งว่าธรรมะคือหน้าที่เคยได้ยินไหมธรรมะคือหน้าที่การทำงานคือการทำหน้าที่และการทำหน้าที่ก็คือการปฏิบัติธรรมเราสามารถช่วยโอกาสปฏิบัติธรรมได้เลย อย่าไปรอโอกาสถ้ารอโอกาสว่าเมื่อนูน้นมื่อนี้แล้วก็บางทีมหมดโอกาสเราฉวยโอกาสปฏิบัติธรรมในขณะทำ ง, งานได้ไม่ต้องไปวัดก็ได้นี่แหละเอาที่โรงพยาบาลศรีลาชเนี่ยเป็นวัดเลยเป็นโรงพยาบาลศริลาชว่าล า, า, าลามเลยก็ได้ไปที่ปฏิบัติธรรมไปในตัวได้เลยนะเพียงแต่เราใส่ใจมีสติ อยู่กับแดนงานที่เราทำทำั้งนั้หมือสติจดจ่ออยู่ที่งานที่เราทำเนี่ยให้ต่อนเนื่องเนี่ยจิตมันก็จะไม่ว่าแวกไปไหนสติจดจ่ออยู่กับงานที่เราทำเนี่ยเอางานที่เราทำเนี่ยเป็นวิหาระทำเป็นเครื่องอยู่ของจิตท่านี่ปล่อยจิตฟุ้งซ่านไปอารมณ์ต่างๆเอางานนี่แหละเป็นหลักให้จิตมันเกาะการที่จิตเกาะ อ, อยู่กับหลักคืองานเนี่ยทั่วเป็นการภาวนา ภาวนาคือการทําให้จิตเจริญให้จิตมันเข้มแข็งให้มีอารมณ์เดียวการทํางานจิตไม่เจริญเพราะจิตมันคิดฟุ้งซ่านใช่ไหมจิตคิดฟุ้งซ่านมากๆนี่ไม่ใช่ดีนะไม่ดีหรอกถ้าไม่จิตเสียพลังจิตมีพลังต้องจิตที่เป็นปกติไม่ฟุ้งซ่านมามันต่างกับร่างกายนะร่างกายจะให้มันมีเลี่ยวมีแรงต้องออกกําลังแต่จิตเนี่ยใจมันมีกําลังไม่ใช่ออกกําลังจิตคือโดยการคิดมากมาย ให้จิตมันเป็นปกติหรือสงบจิตมันมีพลังมันรวมเป็นหนึ่งเดียวมันมีพลังอันเนี้คือการภาวนาเรียกว่าคือการเจเริญสติในหน้าที่การงานก็ได้ให้มีสติจดจอรู้สึกอยู่กับแดงงานของเราเนี่ยให้ต่อเนื่องมันหลงไปคิดปรุงแตง่งก็กลับมารู้สึกใหม่มันหลงไปคิดปรุงแตง่งแล้วกลับมารู้สึกใหม่สติ ที่รู้สึกตัวอยู่กับงานเนี่ยมันทําให้เกิดสมาธิยังมีสมาธิจิตตั้งมัน่นเป็นหนึ่งอยู่กับการทํางานเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันจะเกิดปัจจุบันกับการทํางานมากขึ้นงานก็ไม่ปิดพลาดแล้วมื่อยู่กับปัจจุบันงานงานเนี่ยจิตมันจะไม่คิดฟุ้งซ่านละจิตจะไม่ฟุ้งซ่านไปถึงเรื่องราวต่างๆเรื่องที่บ้านเรื่องที่อื่นนอกจากแรงงานมันจะไม่คิดไปอย่างนั้น แม้มันคิดมันก็กลับมาอยู่กับแดงงานได้สติทําให้เกิดสมาธิมันจะไม่กังวลว่างานนี้จะเสร็จเมื่อไหร่จะได้ดีไหมหรือผลจะเป็นยังไงเนี่ยมันจะไม่กังวลเรื่องแบบนั้นการทำงานไม่มีความสุขเพราะว่าเราไปกังวลกังวลกับผลของงานกังวลคนรอบตัวกังวลกับอารมณ์ที่มากระทบจิตมันก็ไม่เกิดสมาธิมันก็เสียพลัง ถ้าจิตตั้งมั่นอยู่กับงานต่อเนื่องนานเนี่ยมันจะเกิดสมาธิจิตจะไม่ฟุ้งซ่านทําให้มันมีความสุขมีความเพลินเพลินกับการทํางานถ้าเพลินแล้วมันก็มีความมันผ่อนคลายงานก็ไม่เครียดบางทีลืมเวลาเลยลืมเวลาอาหารเนี่ยมันเป็นการภาวนานในชีวิตประจำวันจริงๆถ้าเราทําบ่อยๆนะฝึกบ่อยๆนะมีสติจดจ่ออยู่กับงานบ่อยๆเนี่ย มันทำให้เรารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นโดยเพราะจะรู้จักใจตัวเองจะรู้จักใจตัวเองว่าใจเราเป็นอย่างไรรู้จักอุปนิสัยใจคอของเราเราเป็นคนที่รักง่ายหรือเปล่าขี้โกรธหรือไม่หรือเราเป็นคนที่ขี้ลืมบ่อยๆหรือเป็นคนน้อยใจหรือเป็นคนอิจฉาเสียาสติเนี่ยมันจะรู้ทันจิตใจเราหมดเลยหรือเป็นคนที่เชื่ออะไรง่าย เป็นคนเจ้าทุกข์กังวลมองโรคในแง่ร้ายเสมอเสมอหรือเรามองโรคในแง่ดีสติี่จะรู้ทันนะจะรู้จักอุปนิสัยใจของเราเลยยิ่งฝึกเป็นนานจะเข้าใจถึงว่าอ๋อจิตคนเรานี่มันไม่แน่นอนนะเดี๋ยวมันก็รักแล้วมันก็โกรธแล้วมันก็พอใจหรือไม่พอใจเห็นจิตนี่มันไม่เที่ยงมันมีความเปลี่ยนแปลงไม่สามารถจะมาเข้าบัญชามันได้แต่รู้เท่าทันมันได้เห็นตรงนี้เนี่ยจิตมันหลุดพ้นเลยนะ ผนจากความทุกข์ที่เกิดจากการปรุงแต่งทั้งหมดเลยจิตอยู่เหนือการปรุงแต่งของความคิดเป็นจิต ท, ที่บริสุทธิ์สามารถคิดได้โดยที่ไม่มีอคติไม่มีความรักไม่มีความชังจิต ท, ที่เป็นปกติจะแก้ปัญหาได้ดีมากจิต ท, ที่เศร้าหมองแก้ปัญหาไม่ดีจิต ท, ที่ดีใจมนเกินไปก็แก้ปัญหาไม่ดีมันขาดความเป็นปกติไปถ้าเห็นตัวเองบ่อยๆเนี่ยจะเข้าใจตัวเองว่าอ๋อตัวเราเนี่ย มันเห็นเรื่องความทุกข์มันบังคับบัญชาอะไรมันไม่ได้เลยเราจะสามารถใช้ตัวเราอย่างถูกต้องเมื่อเรารู้จักตัวเราถ้าเราไม่รู้จักตัวเราไม่เข้าใจตัวเราเมื่อไหร่แล้วก็เราก็จะใช้ตัวเราไม่ถูกต้องแล้วก็ใช้คนอื่นเข้าใจคนอื่นผิดด้วยมันต้องเริ่มต้นจากเข้าใจตัวเองจากเข้าใจตัวเองได้นั้นจะต้องฝึกเจริญสติในการใช้ชีวิตประจาวันอันนี้เรียกว่าเป็นการภาวนานะ การภาวนาเนี่ยถือเป็นบุญสูงสุดเลยบุญสูงสุดคือการมารู้จักตัวเองบาปสูงสุดคือไม่รู้จักตัวเองถ้าวางใจอย่างเนี้ปัญหาในชีวิตจะไม่เกิดขึ้นจะรู้จักมองงานในแง่ที่ดีมองโลกทุกอย่างเนี่ยเป็นแง่ดีแล้วก็จะเข้าใจจะไม่ยึดมั่นถือมั่นให้เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทํางานให้มีความสุขต้องรู้จักวางใจให้ถูกต้องต้องมีใจที่รักงานพอใจที่จะทําทงาน เห็นประโยชน์ของงานที่เราทำโดยเพราะเป็นการพัฒนาจิตพัฒนาจิตให้จิตมันสูงขึ้นให้มีคุณธรรมมากขึ้นให้มีปัญญาโครงการเนี่ยเป็นโครงการพัฒนาจิตเพื่อไปชิตงานนก็ต้องพัฒนาด้วยการมีสติมีสมาธิมีปัญญารู้จักตัวเองเนี่ยเป็นการพัฒนาจิตที่แท้จริงทำงานแล้วนอกจากจะได้งานมันก็ได้เงินได้งานแล้วก็ได้เพื่อน ได้งานแล้วก็ได้ใจได้งานแล้วก็ได้บุญไปในตัวด้วยเห็นไหมเป็นบุญสูงสุดนะการที่เรามารู้จักตัวเองในขณะทํางานรู้จักจิตใจของเราเนี่ยเป็นบุญสูงสุดเลยได้ทั้งงานได้ทั้งบุญเลยอันนี้เป็นประโยชน์ถ้ารู้จักวางใจถูกต้องบุญบุญคืออะไรพวกเรบุญคืออะไรทาบุญไปทํำไมบุญเนี่ยเป็นความหมายว่าความสุขบุญเป็นชื่อของความสุข คนมีความสุขเนี่ยคือคนมีบุญคนไม่มีความสุขหรือคนไม่มีบุญบุญไปชื่นความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขเราต้องทําบุญมากๆทําบ่อยๆทําสม่ําเสมอรับรองไม่มีการขาดทุนถ้ารู้จักทําบุญแต่เรามักจะมองว่าบุญเนี่ยคือการให้ทานเอาของให้คนอื่นเรียกของเอาอาหารไปถวายพระที่วัด นี่จะทำสังฆทานนั่นจึงเรียกว่าบุญอันนั้นเรามองบุญแบบแคบจนเกินไปบุญมีมากกว่านั้นอันนั้นเพียงแค่ท า, านเท่านั้นคือการให้การรักษาศีลนี่ก็เป็นบุญการเจริญภาวนาการมีสตินี่ก็เป็นบุญการรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนี่ก็เป็นบุญการขนขวายในกิจการของพุทธศาสนานี่ก็เป็นบุญอย่างพวกเราที่นั่งฟังเนี่ย ฟังเรื่องธรรมะเนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นบุญการฟังธทรำรการแสดงทำรรการสนทนาธรรมนี่เป็นบุญทั้งนั้นการทําความเห็นให้ถูกต้องกับหลักธรรมอนี้ก็เป็นบุญบุญมีมากมายเรามักจะมองบุญแคบๆ บ, บา ค, คือการเอาของไปถวายพระหรือให้เงินกับคนขอทานอนาติแก่ทานเท่านั้นเป็นบุญส่วนหนึ่งียงแก่ทานเท่านั้นบุญมันกว้างขว่าเพราะฉะนั้นถากว่าเราทํางานมาก งานมันหนักบุญมันก็มากมันก็หนักเหมือนกันนะถ้าวางใจดีๆนะบุญหนักบุญมากถ้าเราทำงานมากงานนั้นมันก็เป็นบุญมากบุญหนักอย่างงานการคลังนี่นะวันนี้เขาบอกว่าพูดกับบุคลากรงานคลังงานคลังเนี่ยต้องเป็นงานที่ติดต่อต้องช่วยเหลือก็ให้ความสะดวกกับเขาการที่เราช่วยเขาให้มีความสุขได้เนี่ยเราก็พอจะมีความสุขด้วยใช่ไหม เวลางานสําเร็จเนี่ยคนที่รับบริการเขามีความสุขเราก็มีความสุขเราช่วยเหลือเขามากเขามีความสุขมากเราก็มีความสุขมากด้วยเราสังเกตว่าความสุขของเรากับของอื่นเนี่ยมันจะไม่แยกจากกันเลยอยู่ด้วยกันแต่ถ้างานคลังทําไปวางใจไม่ถูกต้องงานนี้นยุ่งเหลือเกินมีแต่ความเบื่อมีแต่ความเซ็งฟุ้งซ่าน เนี่ยมันจะไม่ใช่งานคลังนะจะเป็นงานครั่งคือคุ้มครั่งต้องวางใจใดีนะใหญ่คุ้มค้ังวางใจใถูกต้องในงานคลังก็เป็นงานบุญเหมือนกันทำด้วยความเต็มใจเต็มอกเต็มใจนะต้องวางใจนะอย่างอย่างวันเนี้ยผมไม่ได้มาคนเดียวผมมากับชมรมเพื่อนคุณธรรมชมรมเพื่อนคุณธรรมเนี่ย ก่อตั้งมาประมาณสักเกือบ9ปีแนละ้วคุณสีหนาเป็นประธานชมรมเปิดบ้านตัวเองให้เป็นชมรมเพื่อนคุณธรรมเพื่ออะไรเพื่อผลิตซื่อทางธรรมะซ d m p 3สหนังสือเพื่อเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนามันเป็นงานบุญแล้วเปิดทุกวันนะไม่มีวันหยุดเสาร์ที่ไตั้ง6มงเช้าตั้งหมงเย็น ทุกวันแล้วสิ่งที่เป็นสื่อนเนี่ยเราไม่ได้ขายไมไ่จันนายแล้วก็ไม่ได้แจกแต่ว่าสื่อพวกเนี้ยเราแบ่งปันกันใครเห็นแล้วชอบใจก็เอาไปฟังเอาไปแจกเขาแต่เราร่วมร่วมกันเป็นเจ้าภาพแบ่งปันเป็นสนุงการเผยแพร่พุทธศาสนาเป็นกิจการบุญเหมือนกันและบุคลากร อ, อยู่ที่นั่นเนี่ยส่วนมากเนี่ย อาสาสมัครทั้งนั้นเลยอาสาสมัครมีทุกเพศทุกวัยสวก็มีนะสวนี่คือผู้สูงวัยมีมีอยู่หลายคนด้วยคนพิการก็มีเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคนพิการเนี่ยนี่อาสาสมัครนะเป็นช่างต้องแผนกต้อนรับประจำชมลมแต่ก็พูดไม่ค่อยชัดนะแต่เป็นปแผนกต้อนรับเดี๋ยนี้พูดชัดขึ้นเพราะสายการพูดบ่อยๆเปการฝึกตัวเอง แล้วก็ใส่ซีดีทำงานในชมรม น, นะรู้นแต่เป็นงานที่มีอาสาสมัครเข้ามาช่วยเกือบทั้งนั้นเลยแล้วช่วยแล้วไม่รับสิ่งตอบแทนเขถือว่านี่เป็นงานบุญแล้วเขาก็มีความสุกับการทํางานทําอย่างสดชื่นยิ้ยันจะวและเต็มใจทําเวลามีใครมาติดต่อโทรศัพท์กําลังทางข้าวเนี่ยวางวางกับข้าวเลยหยิบโทรศัพท์มาโทรก่อนกําลังแท้กโท็โพดสวิตอยู่ เวลามีแขกมาหวางข็าพดธอ่ไปติดต่อทั้งนี้ข้พติดฟันอยู่สนุกกับการทำงานยิ้มย้มแจ่มใสไอทีหน้างอรอนานบริการไม่ดีเดี๋ยวไม่มีมีแต่ยิ้มงามถามถ่ายใส่ใจบริการมีความสุขเพราะเป็นงานบุญเขาทำแล้วก็ได้บุญแล้วกขมีความสุขเหมือนี้ก็ขยายไปเรื่อยๆอย่างวันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยผมถือว่าผมโชคดีนะที่ได้มีโอกาสมาร่วมบุญกับ ทุกๆท่านมาพูดให้แง่คิดให้กำลังใจในเรื่องของการทำงานอย่างมีความสุขเะว่าไปแล้วเนี่ยวันเนี้ยเป็นวันที่3เมษายนวันที่3เมษายนเนี่ยเป็นวันที่มีความหมายมากมันเป็นวันที่ครบรอบชีวิตที่อุบัติเหตุของผมชีวิตที่พิการของผมเนี่ย30ปีครบรอบวั น, นเนี้ยเนี่ยเดี๋ยว6 0มงเย็นเนี่ยวันเกิดเหตุเนี่ยผมจะไปฉลอง จลองวันเกิดมาสามิปีกัรชีวิตีพิการเนี่ยวันเนี้ยสามเมษายนก็เลยได้โอกาสมาร่วมทำบุญในงานนี้ก็คิดว่าใช้สภาพร่างกายที่ดูแล้วมันไร้ค่าให้มันมีคุณค่าให้มีประโยชน์อันที่จริงเนี่ยคุณค่าของคำพูดต่างๆเนี่ยมันไม่สำคัญเท่าการนำเอาไปปฏิบัติทามอันนี้สำคัญกว่าผมก็ถือว่าผมได้ มาทำหน้าที่แบบไม่ต้องการผลอะไรไม่หวังอะไรตอบแทนไม่ต้องการอะไรผมมีแค่ที่พูดให้คำแนะนาให้เงี้คิดให้กำลังใจแค่นี้ก็จบหน้าทีท่ของผมแล้วส่วนผลจะเป็นยังไงนั้นไม่ใช่เรื่องของผมถือว่าเราทาประโยชน์พราะเห็นประโยชน์แล้วก็ไม่หวังประโยชน์คิดว่าชีวิตที่เาอยู่เนี่ยเป็นชีวิตที่ให้สบายกว่าเป็นชีวิตที่รับมันสบายใจกว่านะ ก็หวังว่าการพูดในวันนี้นี่คงจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกๆ ท, ท่านเนี่ยได้มีขวาญมีกำลังใจที่จะทํางานให้มีความสุขแล้วก็ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขด้วยกันทุกท่านทุกคนใครมีอะไรอยากจะถามนะถามได้นะเดี๋ยวเปิดประเด็นให้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเผื่อคนไม่กล้าถามนะคะอาารยก็สรุปคนสอบถามอาจารย์ว่า ถ้าจะตอบว่าคนเรานี้เกิดมาเพื่ออะไรอะค่ะจารย์ะ จ, จะตอบคําคถามนี้ว่ายังไงดีเกิดมาเพื่ออะไรทุกคนก็ถามอย่างนี้แหละเกิดมาเพื่ออะไรบางทีก็ยังหาคําตอบที่ถูกต้องไม่ได้มีหลายอย่างนะเนี่ยมันไม่มีอะไรถูกที่ถูกละ่ะบางทีเราบอกว่าเกิดมาเพื่อสแสวงหาความสุขหรือเกิดมาเพื่อใช้กรรมหรือเกิดมาเพื่อตายหรือเกิดมาเพื่อไม่ต้องเกิด ไอ้เกิดมาแสาวงหาความสุขเนี่ยแมวก็คิดอย่างนั้นนะแต่เกิดมาเพื่อใช้กรรมมันเนี้ยยังไม่ถูกต้องอย่าคิดว่าเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมถ้าามีชีวิตเกิดมาแล้วต้องใช้นี่เนี่ยโอ้มันจะมีความสุขไหมนะ เ, เราพูดบ่อยว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมอย่าไปคิดแบบนั้นแม้ว่าคนเราต้องเป็นไปตามกรรมแต่เราสามารถที่จะพัฒนากรรมให้มันดีขึ้นได้เราเกิดมาเพื่อพัฒนากรรมให้มันดี จะดีกว่าไนะมจะสร้างสรรกว่าถ้าเกิดมาเพื่อชดใช้เนี่ยมันจะท้อแท้ที่ที่เราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาเพื่อไม่ต้องเกิดเพราะอะไรเพราะการเกิดจะเป็นทุกข์ใช่ไหมที่เราฉลองวันเกิดเนี่ยไม่ฉลองความสุขนะผู้เจ้าบอกว่าการเกิดทุกขลาเป็นทุกลาไปพอเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่คนเราก็ยังอยากเกิดมาเพราะเราไม่เข้าใจตรงนี้ เกิดมาเพื่อไม่ต้องเกิดเกิดมาเพื่อทําที่สุดแห่งกองทุกทุกคนเกิดมาเพื่อทําที่สุดแห่งกองทุกไม่ถึงปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ไปเลยมันจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกไงจึงเกิดมาเพื่อไม่เกิดเพราะคนเราเนี่เป็นทุกข์เนี่ยต้องใช้วิธีแบบปฏิบททัติธรรมปฏิบัติตัวเองเพื่อไม่ให้ทุกข์เมื่อจิตมันไม่ทุกข์แล้วเนี่ยอเรื่องความสุขมันต้องพูดถึงหรัอมีความสุขอยู่ในตัวมีความเบิกบาน เกิดมาเพื่อทําที่สุดกองทุกมันก็เป็นิพพานก่อนจะตายด้ซ้าไปเกิดมาเพื่อทําที่สุดแห่งกองทุกเข้าใจไหมตรงนี้เห็นหน้างงๆอาจจะแตกต่างจากที่เราคิดนะไม่เป็นไรเราเอาไปพิจารณาดูก็ได้ใช่ไหมเราทําอะไรเพื่อความไม่ทุกข์ตรงนั้นน่อยเดียวดีต่อไปก็มีคําถามลเล็กๆน้อยๆจากาน้องๆที่เขียนมานะครับแต่ มีคำถามาหนึ่งถามว่าเคยรู้สึกอยากฆ่าตัวตายหรือไม่ตอนประสบอุบธธัติเหตุใหม่ๆและมีแนวคิดและกำลังใจอย่างไรตอนธรรมดาแล้วเราเวลาเกิดปัญหาเนี่ยแต่และคนคิดไม่เหมือนกันนะพาคนเกิดปัญหาปับ๊บอยากจะฆ่าตัวตายหนีปัญหาไปเลยแล้วบางคนเกิดปัญหาปับ๊บเกิดการท้าทายอยากเอาชนะปัญหาอยากคิดว่า คนที่มีความทุกข์ทุกคนจะต้องคิดฆ่าตัวตายไม่ใช่อย่างนั้นพวกเเองก็เป็นคนคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดเรื่องนี้ผมคิดว่าเวลาเรามีปัญหาชีวิตเนี่ยเราจะมีโอกาสจะมีทางรอดอย่างน้อยเรามีคนรอบข้างคนใกล้ตัวคุณพ่อคุณแม่พี่น้องให้กําลังใจซึ่งเราเนี่ยมันทาให้เราไม่ได้คิดถึงเรื่องการฆ่าตัวตายคนที่เวลาเกิดปัญหาเราคิดฆ่าตัวตายเนี่ยแต่ละครั้งที่คิดฆ่าตัวตายเนี่ยอย่าลืมว่าจิตมันเจ็บข้อมูลนี้เอาไว้ เกิดปัญหาปับต่อตายดีกว่าใครั้งหนึ่งเลยนะเกิดปัญหาอีกตายดีกว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันตายจริงๆนะเพราะฉะนั้นผมเองก็ไม่ได้สะสมเรื่องที่มีปัญหาต้องฆ่าตัวตายแต่ก่อนเป็นนักสู้เป็นนักกีฬาเจอปัญหาเจอความทุกข์พยายามจะชนะได้แต่แจะว่าไปแล้วเนี่ยความทุกข์แต่สมัยก่อนนั้นมันจะเป็นคุณนิน้อยอยู่สมัยเด็กๆสมัยวัยรุ่นสมัยทํางานปัญหามันยังน้อยอยู่ยังพอจะเอาชนะได้ แต่ต้องพิการตลอดชีวิตเนี่ยมันก็ทําใจยากเหมือนกันนะทุกอย่างต้องผิดหวังหมดแต่ว่าไม่เคยคิดฆ่าตัวตายเราไม่ได้คิดว่าอืมโลกนี้เนี่ยมันโหดร้ายทารุณเหลือเกินมันไม่น่าอยู่นะมันโหดร้ายทารุณเหลือเกินแต่ไม่ได้คิดฆ่าตัวตายคิดว่าเราจะ อ, อย่างไรให้มันมีความสุขได้ตอแรกก็รู้สึกท้อแท้นิดหน่อยแต่เมื่อเกิดการท้อแท้เรามีวิสัยที่ชอบอดทนอยู่แล้ว อดทนกับสภาพที่มันเป็นงั้นไว้ก่อนไอ้ความอดทนแล้วก็ทนได้เนี่ยยิ่งนานวันเนี่ยจิตที่มันอดทนเนี่ยมันเกิดพลังพลังทนมันเอาชนะพลังท้อเอาชนะได้มันก็เกิดวิธีคิดแบบใหม่เออแทนที่จะอยู่เพื่อจะคิดว่าเราจะทำไงให้มันมีความสุขในชีวิตเราจะหาความสุขได้ยังไงก็เปลี่ยนหม่ว่าจะอยู่อย่างไรให้มันมีความสุขเปลี่ยนวิธีคิดว่า เราจะหาความสุขอย่างไรเป็นเราจะอยู่อย่างไรให้มันมีความสุขในสภาพอย่างนี้ก็แสวงหาทางแก้ปัญหาอีโตงแสวงหาเนี่ยโชคดีที่มีคุณพ่อคุณแม่มีกัลยาณมิตรแนะนําบอกนี้สิเดินมาทางนี้สิมาปฏิบัติธรรมสิมาสนใจธรรมะสิธรรมะสอนให้เรารู้จัคิดนะไปเหตุเป็นผลมันก็มีทางออกโดยการปฏิบัติธรรมจนป่านนี้เนี่ย เขาเห็นว่าอาเราไม่มีธรรมะเนี่ยเราคงอาจจะฆ่าตัวตายไปก็ได้พอมองทางไหนเขาก็เดินได้พอมองเราเดินไม่ได้ทันทีแต่เดี๋ยวนี้นี่เราพอใจในที่เรามีเราเป็นเราไม่อิจฉาใครที่เขาเดินได้แต่เตงสารเขาเขาต้องเดินเขาต้องทําอะไรหลายอย่างเรานั่งกินนอนกินสบายเลยชที่เหลือคือใช้แบบกําไรชีวิตเลยเนี่ยยิ่งมาทำอาชีพนี้ออกําไรมากเลย กำไรชีวิตกำไรทุกวันผมกำไรทุกวันอยู่ชมรมเนี่ยตั้งแต่เช้าผมได้กำไรแล้วได้ทําหน้าที่คาถามเดียวก็เหนื่อยแล้วนะอืมีอีกอาจารย์มีอะไรคาถามขอมอแจ้งตอบเป็นชั้นๆเลยกันจะทำอย่างไรให้คนส่วนใหญ่นําธรรมะมาดับปุก ข, ของตนเองได้ครับผมโดยปกติเนี่คนที่กระดูดสี่หักเนี่ยมันจะควบคุมเรื่องการหายใจลําบากมากหายใจลําบากเหนือใจได้ไม่เต็มรอย หายใจได้แค่ปากตะบุกไม่ถึงกันนะพูดด้วยและหายใจด้วยเนี่ยมันเหมือนวิ่งไปพูดไปผมถึงกงมีการขยับตัวเคลื่อนไหวเพราะอะไรช่วยช่วยให้ปอดมันได้ทํางานแต่ไม่เป็นไรนะเขาทาหน้าที่เนี่ยถ้าขึ้นเวทีเนี่ก็ชกมาหยุดเหม่งันแต่ลงเวทีแล้วไปอย่างอย่ไปมองคุณดูไม่ได้เมื่อกีถามว่าเราจะทำอย่างไรให้คนทั้งหลายเนี่ยหันมาสนใจกับธรรมะเรื่องนี้ไม่ยากหรอกวิธีการแก้ปัญหาคือ เราต้องเห็นประโยชน์ของธรรมะเห็นประโยชน์ของธรรมะว่าธรรมะเนี่ยมันดับทุกข์ได้จริงมันแก้ปัญหาชีวิตได้จริงแล้วก็เห็นตัวอย่างที่เขาแก้ปัญหาชีวิตได้โดยสายธรรมะเราเห็นประโยชน์สิ่งไหนเนี่ยสิ่งนั้นมันก็จะเกิดขึ้นในใจเราเห็นไหมเราเห็นประโยชน์ของเงินแล้วก็จะขยันหาเงินใช่ไหมมีโอทอะไรมากมายเห็นประโยชน์กับธรรมะนี่มันต้องขยันปฏิบัติธรรมมีโอทในการปฏิบัติด้วยต้องเห็นประโยชน์ แล้วก็เห็นตัวอย่างตัวอย่างมันมีสองอย่างนะมีอย่างที่ดีกับไม่ดีอย่ามองอย่างที่ไม่ดีมองอย่างที่ดีบ้างตัวอย่างของที่ปฏิบัติทำเราเ็ามีความสุขชีวิตไม่มีปัญหาอย่าไปมองคนปฏิบัติเราเพี้ยนมองดูตัวอย่างเห็นตัวอย่างเราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นมากแล้วที่สำคัญเรคือเราต้องรู้ว่าเราเองนี่ก็สามารถทาได้เราสามารถจะปฏิบัติทำได้ ในที่ว่าจำมันก็ทําได้ไม่ต้องไปอยู่วัดก็ได้ต้องเห็นประโยชน์เห็นตัวอย่างเห็นว่าเราเนี่ยทำได้แล้วก็หลักธรรมในการปฏิบัตินี่มันสามารถแก้ปัญหาชีวิตได้จริงต้องเป็นอย่า ง, ง น, นั้นตัวอย่างตั้งแต่พระพุทธเจ้าสาวกต่างๆก็บา ร, รุษรมแล้วก็ทําประโยชน์ทั้งนั้นเลยแม้แม่บา ร, รุษทำก็ยังทําประโยชน์ได้เนี่ยคนพิการก็ยังทําได้เห็นประโยชน์ ในด้านบวกต่อไปคือมองว่าเห็นทุกข์เห็นโทษของการที่ไม่ได้สนใจธรรมะเห็นโทษของมันเห็นไ่มคนที่ไม่สนใจธรรมะเนี่ยเกิดปัญหาหน่อยหนึ่งก็เครียดเกิดปัญหาหน่อยนึงก็ ง, งุ่นหงิดนิดหน่อยก็ฆ่าตัวตายอะไรนั่นก็ร้องไห้นั่นละเพราะจิตใจเขาไม่เข้มแข็งคนที่เวลามีชีวิตดีๆอยู่เนี่ยไม่สนใจธรรมะแต่ว่มีการป่วยไข้เนี่ยช่วยตัวเองไม่ได้คือช่วยใจตัวเองไม่ได้ แม้จะมีหมอรักษาอย่างเก่งก็ตามแต่ช่วยใจตัวเองไม่ให้ทุกข์ช่วยไม่ได้แต่ถ้ามีธรรมะเนี่ยช่วยได้คนที่มาหาที่ชมรมเนี่ยมาพูดคุยเนี่ยร้อนแดดร่างกายเป็นปกติทั้งนั้นแต่ใจเขาไม่ปกติเขาเป็นทุกข์เพราะเขามีมากเกินไปเขารวยเกินไปเรื่องใช้เงินยังไงให้มันมีความสุขหัวเงินเงินอยู่ในธนาคารก็มาแบกไว้จนนอนไม่หลับชีวิตพร้อมทุกอย่าง ไม่รู้อยู่ไปทาไมควรจะฆ่าตัวตายดีไหมออไอ้คนที่ไม่น่าทุกข์มันก็ทุกข์เพราะเขาวางใจไม่เป็นเนี่ยเป็นโรคทางใจทางนั้นเลยแต่ถ้ามีธรรมะเขาจะได้คำตอบว่าเมื่อก็มีพร้อมทุกอย่างแล้วเขาควรจะใช้ชีวิตอย่างไรทำประโยชน์เกื้อกูลหรือคนมีปัญหาจะแยกเลยว่าไอ้ปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาของใครเมื่อกลายป่วยใจไม่ต้องทุกข์ก็ได้ถูกไหม ร่างกายป่วยก็ให้หมอทําหน้าที่รักษาใจเมืเ่นทุกข์ก็ได้วางใจว่าหายก็ได้ไม่หายก็ไม่เป็นไรก็รักษากันไปเห็นโทษของการไม่สนใจธรรมะเนี่ยเห็นประโยชน์ของการสนใจธรรมะเนี่ยเราก็อยากจะปฏิบัติธรรมเองและสําก็คือเราต้องเป็นตัวอย่างให้ดูอยากให้คนอื่นเขาดีต้องทําดีเขาดูเราให้เขาปฏิบัติธรรมแต่เขายังโกรธอยู่เราต้องเป็นตัวอย่างนี่สําคัญมากคําพูดร้อยคําพันคํา ไม่เท่ากับทําตัวอย่างให้ดูนหนึ่งครั้งขอบพระคุณอาจารย์มากครับเนี่ยที่ผมดูทั้งหมดคําถามเยอะมานะครับแต่ว่ารู้สึกว่า อ, อาจารย์ได้พูดครอบคลุมออกไปหมดแล้วนะครับผมจะถามใป็นถามสุดท้ายที่มีผมดูแล้วว่ามันมันที่สุดนะครับก็ถามมาว่าถ้ามีความทุกมากๆเราจะหาวิธีดับทุกที่ง่ายที่สุดได้อย่างไรเออมารอตรงเนี้ยจะได้ต่อไปที เรื่องวันนี้เรื่องสบายมากเลยอเรื่องทุกข์และแก้ทุกข์ในทับพันนี้ไม่ยากอลยก็อย่างเราต้องเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงทุกมันเที่ยงแท้ไหมทุกเคยเป็นทุกมาไหมไอ้ทุกมาก่อนที่น้าตานองหน้าเดี๋ยวนี้มันมีไหมอันนั้นเป็นระยะยาวแต่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดความทุกข์ตรงนี้ปั๊บเนี่ยจิตอย่าไปหมกมุ่นเพราะงั้นว่าจิตเราหมกมุ่นกับความทุกข์ไม่น่าเลยไม่น่าทํากับเราเลย เราศาสตร์คิดปรุงแต่งมันก็ทุบ้อนทุบกระเบียยเลยหมกบุ่นแวกไหวอยู่ในกองทุ่ยนั้นอ่ะมันออกไม่ได้แล้วพอรั่วันทุบปั๊บเนี่ยตั้งสติให้ได้ก่อนอย่างที่อะไรไม่ออกลุกขึ้นไปเลยไปเปิดหน้าต่างไปดื่มน้ําไปเข้าองน้ําเปิดตู้เย็นแบบไม่ต้องมีเหตุผลก็ได้ซึ่งเราก็มักทําอยู่แล้วขอเปิดดูก่อนนะครอันนั้นเป็นการเปลี่ยนยาบทนะเพระเปลี่ยนปั๊บเนี่ยจิตมาเริ่มเปลี่ยนไปจับอารมณ์ใหม่มันแก้โดยทันทีเลย อย่านั่งจมอยู่กับความทุกข์เปลี่ยนยาบทิกระลุกได้่ะก็ดีกว่าผมนะผมลุกไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยเป็นทุกข์ก็นอนเครียดอยู่นั่นแหละหาทาออกไม่ได้จะ ล, ลุกได้เปลี่ยนยาบทเปลี่ยนก่อนเลยเปลี่ยนยาบทิซะยาบทของกายเปลี่ยนแล้วอียาบดของจิตก็จะเปลี่ยนไปด้วยเปลี่ยนมุมมองใหม่ไปตั้งหลักใหม่ซะก่อนเมื่อมันคิดไม่ออกก็ไม่เวลาอย่าไปคิดคิดไม่ออกก็ไม่เวลาเปลี่ยนยาบดิทุกบางอย่างเนี่ยไม่ต้องตัดสินปัญหาเดี๋ยวนั้นก็ได้ อย่างเช่นเขามาทวงเงินอย่างเงี้ยยังไม่มีเนี่เราก็อย่าเพิ่งตัดสินใจว่าจะทํายังไงไม่เป็นไรหรอกต่อรองอยู่หลายวันก็ได้นะต้องที่จะแก้ปัญหาเปลี่ยนแก้ไขและทิมกันก็คือเราต้องคิดฝึกคิดในแง่ที่เป็นบวกไอ้ทุกแบบเนี่ยไม่ช้ า, ม, ามันก็หายไปเห็นไหมทุกเ ก, เก่าที่เคยเป็นมามันหายไ ป, ปหลายอย่างแล้วแบบนี้มันไม่มีแล้วทุกใหม่นี่ก็เหมือนกันแหละเดี๋ยวมันก็ผ่านไป เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเรามีโอกาสที่จะแก้ปัญหาได้คิดไปในแง่บวกเพื่อเป็นการตั้งหลักจิตใจทุกอนแล้วก็บางครั้งก็ต้องอาศัยการพูดคุยจากกัลยาณมิตรจากท่านผู้รู้ให้ช่วยให้ช่วยจิตช่วยใจเราบ้างให้กำลังใจก็ยังดีแล้วนานวันไปเนี่ยปัญหาเนี่ยมันก็ค่อยเล็กลงไปเรื่อยๆเพราะเริ่มมีวิธีการแก้ปัญหาและทุกอย่างมันไม่เทีย่ย ไม่มีความทุกข์อะไรติดตัวเราไปจนตายเดี๋ยวเราตายมันก็จบหนี้สินต่างๆมันก็ไว้ในโลกนี้เราก็ไปแนละ้วต้องมองในแง่นั้นต้องคิดในแง่บวกให้เกิดกําลังใจก่อนพอมีกําลังใจแล้วมันจะมีกําลังสติที่จะรู้จักแก้ปัญหาอย่าเพิ่งร้องไห้อย่าเพิ่งฆ่าตัวตายเวลาทุกอย่างแก้ได้ไอ้ที่แก้ไม่ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมปัญหาต้องแก้ได้ถ้าแก้ไม่ได้มันไม่ใช่ปัญหาอย่างผมเนี่ยความพิการเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแล้วเพราะมันแก้ไขไม่ได้ มันจิงไม่ใช่ปัญหาส บ, บายเลย